ว่ตะวันาอาหารอร่อยไห้ฮะอร่อยไหมอร่อยขึ้นอก็เลเราต้มไก่เวลาเราเคี่ยวมันไก่ไส้จะตีขึ้นมาเรื่องอะอย่างที่นี่ทะเลก็อย่างข้าวก็เป็นข้าวกล้อง ข้าวต้งจะมีรสชาติตัวละขาวขาวอ่าข้าวเคี้ยวข้าวรสชาติจากข้าว้าวก็มันเราก็จะรู้สึกได้มากขึ้นนะอยที่จริงอย่างเรามาไปเกลน่ยที่บ้านเสถางข้าวเหนียวปั่นผงข้าวใหม่ๆนี่แหละข้าเอาข้าวเหนียวมันร้อนนะมันเคี้ยวแล้วแล้ว่าหวานอร่อยนะหรือบางทีอย่าง ไปตนะนะุ้ดงนะไปตุ้ดงบางทีอาหารที่ได้นะก็ไม่ได้ไม่รีมากมายไม่ได้ไม่ได้หรูหราเลยนะแต่พอเราแบบยัมีอาหารแค่นี้เราก็ทานนะเพราะว่าชาบ้านเราเขาอุตสาห์ใส่มาอข้าวที่ต้องหมงูผัดหรือว่าแกงโพฮมแกงของ กระเดยน่ถ้าเราทางแบบมีสติกีดีหนึงก็อร่อยนะ <c oughs> ปลากระป๋องนยที่ปกติก็ไม่ค่อยทา น, ม, นมามา่าซงปกติก็ไม่ค่ไดีทานแต่ถ้าเราทานยังมีสติก็หนก็อร่อยนะ <c oughs> อยู่บงทีเดินตะโจนน ะ, ะน้ำส้มนะน้ำส้มแต่กนะ่อนยี่้าเอร์เ็นตนึเดีนี้เหลือสิเปอร์เ็นะ มันจะลดลงเอ้นะ แ, แต่ก่อนก็มึนนะแต่พอเอาได้ทานพอเราได้ดูได้ดื่มจริงจมันก็มันก็อร่อยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความเหนื่อยของร่างกายนะแต่ส่วนหนึ่งพอพอเราใช้ใช้มันไม่มีตัเรื่องมากแล้วก็สนใจกับที่มันอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็สนใจในการ กินเปนเ็นการดื่อนะันก็มีรสชาติทำไมอย่างคนจีนนะคนญี่ปุ่นเขาทำไมชอบกินชา้าค่อยๆชงค่อยๆดื่มค่อยๆจิตนะไม่ใช่แบบกินทีเยเนะีะยเป็นการสัมผัสกับรสชาตนะิมันจะเป็นพิธีดีตองละจริงพิธีรีตองก็คือทําให้เราไปใช้มีสติไม่ต้องรีบนะ การชมชาแบบแบบฟา น, นิ่หรือว่าการดื่มชาแบบก่อนดื่มก็ตดนขิงก่อนดื่มลงไปก็สัมผัสกับรสชาตนะิแต่สิ่งพว น, นี้ไม่ใช่ว่าแบบทานเพื่อให้ติดนะบางคนจะติดแต่ถ้าเรามีสตินในการทานของธรรมดาที่ที่เราไม่ค่อยไม่คยสนใจในรสชาตินะ มันจะมีรสชาติขึ้นมาอย่างข้าวที่จริงไม่แต่น้ำนะถ้าเราสัมผัสกับนนะ้ำน้ำอะไรเลอะแสนะเราทาไปเราจะสัมผัสได้ถึงถึงอะไรการเคลื่อนของเขาเราก็รู้สึกนะหรือถ้าเราบางทีเรารู้สึกเลยกำลังของเรามันเกิดขึ้นแล้วเรากระหายน้ำเราได้ทานไปรู้สึกมื่อ เน่ตด้านกายมีพลังขึ้นมารู้สึกเมื่อารอาหารแต่ละมื้อถ้าเราทานอาหารแล้วรู้สึกแบบนี้แต่ละมื้เราจะรู้สึกถึงคุณค่าของอาหารจริงๆแล้วก็จะรู้สึกขอบคุณคนทีออาา่ท <c oughs> ให้กับเราจริงๆเลยนะมัาจะรู้สึกพ่าเราเราได้พลังเพื่อการนี้จริงเนะ็ตทารทานข้าวลนะอง สัมผัสมันลงไปจริงๆเราก็จะรู้สึกมันรวมถึงมันอาไม่ใช่ความคิดนะแต่พอเรารู้สึกแบบนั้นความสึกขอบคุณบางทีก็ขอบคุณของปลาที่ตายขอบคุณเนื้อที่เสียชีวิตแต่เราได้รับประทานแต่ก่อนไม่ค่อยเข้าใจพระพุทธเจ้าไปตัดไว้วันหนึ่งทานอาหารให้เรารู้สึกเหมือน พระเจ้าท่านบอก่าเหมือนกับเราเดินกลางทะเลทรายแล้วเราองมีลูกน้อยไปด้วยลูกน้อยเราก็ตายอยู่ในระหว่างที่เดินผ่านทะเลทรายแต่เรายังเดินผ่านไม่ไม่ถึงไม่ถึงเมืองไม่ถึ ง, ถงที่ที่ปลอดภัยพระเจ้าเราบอกออที่เนื้อลูกน้อยที่ตายนั่นแหละพ่อแม่ก็เอามาทานเนื้อ เพืจะได้มีรพลังในการเดินผ่านทะเลทรายแต่ก่อนก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องเรื่องแบบเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันก็เปรียบเที่ยเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราสัาผัสจริงๆก็ถ้าเรารู้สึกถึงรสชาติอาหารมันจะมีความรู้สึกขอบคุณขอบคุณสิ่งมีชีพขอบคุณคนที่ทําอาหาร มันจะรู้สึกเหมือนมันก็จะไม่ต่างจากเขาเป็นลูขนกของเราเป็นญาติของเราซึ่งเราได้ชีวิตจากเขามันจะรู้สึกแบบนั้นความรู้สึกในการทานพื่อความพนุกสนานด้วยความรอร่อยมาถึงว่าเพื่อสนองความรู้สึกพอใจใจใจมันก็จะล ด, ดลงไปจริงจริเนี่ยมันก็เป็นการช่วยให้เราเข้าถึงคุณค่าแท้ มากกวคุณค่าเทียมแ ล, แล้วเราก็จะรู้สึก ม, มันต้องประหยัดจริงๆนี่ก็พู่อให้ฟังให้พวกเราเห็นผลก่อนนะผลของการถ้าเราทําแบบนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกแบบนี้แต่ความรู้สึกแบบนี้ไม่ไม่ใช่ว่าทําให้ชีวิตเราเศร้านะไม่ใช่ว่าเรากิน กินเนื้อของลูกเราเองเรากินเนื้อของญาติเราแล้วแต่ทำให้รู้สึกเศร้าแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อเราได้ขอบคุณที่เราได้มีชีวิตอยู่แล้วก็สิ่ ง, งนั้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเวลาที่เราเหลือชีวิตที่เรามีเราจะทำอะไรละ่ะถ้าเราได้มีโอกาส ừ, เราได้มีชีวิตอยู่แต่อีกหลายชีวิตที่เราต้องตายไปเราก็ ừ, จะใช้เวลาใช้ชีวิตของเราอย่างมีคุณค่ามากขึ้นและนี้คือเนี่ยประสิ่งที่ถ้าเราปฏิบัติธรรมมันจะเกิดความรู้สึกตัวนี้ขึ้นเองมัไม่ใช่ว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วจะเป็นคนที่เฉยเมยเฉยเมยหรือว่าจิตจิตใจด้านชานไม่รู้สึกอะไรนะแต่จริงยิ่งปฏิบัติธรรมไป ความรู้สึกที่เป็นป่ายุศน์นะเช่นความเมตตาความสงสารหรือความรู้สึกยินดีเมื่อมีคนอื่นได้ดีเออแต่ก่อนพอคนอื่นได้ดีเราจะมีตัวอิจฉาขึ้นในใจ <c oughs> แต่พอเรารู้สั่นตัวอิจฉาตัวอิจฉาก็จะหายไปเป็นตัวยินดีกับเขาด้วยอ่าอ <c oughs> มันจะเป็นรู้สึนะแต่ก็มันก็ไม่มันอิจฉาของมันเองนะมันก็แค่รู้สึกเอ่า เขาได้ดีกว่าเราเนาะบางทีก็เกิดรู้สึกอยากแข่งขันอยากจะเอาชนะความอิจฉาเขาเกิดขึ้นจะมากจะน้อยก็แล้วแต่คนฉะนั้นสัมพันธ์ของเราดีขนาดไหนใช่ไห ม, มแต่ก็เป็นแบบนั้นเราก็จะเห็นแล้วก็จะเปีอืนเปลี่ยนถ้าเราไม่มีสตินะคนที่เรารักมากบางทีก็จะเป็นคนที่เราเกลียดคนที่เราแคร์มากก็จะเป็นคนที่ทําให้เราทุกข์มาก มีไนหะมคนที่เราใครที่เราโกรกกันมากก็อันนี้ก็เป็นเหตุให้เราทุกข์มากแต่ถ้าเรามีสตนะิเราก็จะเรียนรู้ธรรมะจากเขาเแน่ๆมันเป็นอย่างไรอันนี้คือใจมันจะมีมีโภมิหารขึ้นมาในใจของเราแม้สุดท้ายเราทำอะไรไม่ได้เลยความอุเบกขาความคลอยวาง ความบางใจได้ผูเบกขาคือการวางใจได้การยอมรับความจริงนะที่จริงอุเบกข า, ค, าคือการยอมรับความจริงไม่ใช่แบบปล่ไปปะและเลยเสยมลยนะฮะทำเต็มที่แล้วเหตุไปแจมเป็นแบบนี้อ่ะเรายอมรับความจริงได้ปล่อยวางได้นี่คือจิตตัวแรกมันจะเข้ามาแล้วพวกนี้แหละมันจะเป็นมันไม่ใช่จิตของคนที่ปฏิบัติธรรมจะอย่างที่ว่าจะ จะไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณนะ์หรือว่านะแข็งกระด้างไม่ใช่นะเราจะมีพวนกนี้ยข้ามาในใจแล้วพวกเนี้ยมันจะเป็นความสุขใจนะอืมแต่เป็นสุขใจแต่ไม่ใช่ติดใจนะแต่เป็นความสุขที่ทําให้เรารู้สึกชีวิตใ น, นแต่ละวันมันก็จะสุขง่ายอย่างที่บอกกินข้าวสัมผัสกับรสชาติของอาหารนก็อร่อย <c oughs> ก็ก็มันก็เป็นความสุขที่เราได้สัมผัส หรือเราปฏิบัติทําไปเราเห็นอารมณ์เห็นความคิดเราก็ยิ้มนะแล้วก็ตลกอา ก, การนะที่มันแสดงนะมันจะเหมือนคล้ายก็ดูดูไปก็สนุกไปมันก็มีความสุขขณะที่ปฏิบัติทำไม่ใช่ปฏิบัติแบบเพื่อคงไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเพื่อแบบแข่งกอาเป็นเอาตายนะแต่เป็นปฏิบัติยิ่งปฏิบัติยิ่งสนุก สนุกอะไรสนุกในการเหมือนมันเห็นมันเห็นมันเห็นเหมือนอย่างที่ว่าพอเราลอยคอเป็นพอเราว่ายน้ำเป็นยิ่งยิ่งอยากจะว่ายน้ำใช่ยิ่งอยากจะยิ่งอยากจะเอ่อฝึกให้มันดีขึ้นี้ื่อยอันนี้แหละคือความสนุกถ้าใครรู้สึกตัวได้จริงจมันจะมีความเพียรมีความขยนันมีความอดทนขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องบอกนะถ้าถึงนะั้ไม่ต้อง ให้ใครคอยเตือนไม่ต้องให้ใครคอยบอกแต่เราจะทำํำด้วยตัวของเราเองเนี่ยต้องทําแบบนี้แต่บางทีก็อาจจะมีบ้างนะโยนี่ก็เหนื่อยบ้างฟุ้มบ้างนะมันก็ธรรมดาแต่มันก็เป็นการเหือนฝึกเหมือนคนขี่จักรยานขี่ทาง เ, เ ล, ยลียงได้แล้วไปขี่ขึ้นเขาบ้างก็ <c oughs> จะเป็นการฝึกปีมือนะขึ้นเขาต้องขีดอย่างไร ต้องปรับเตียอย่างไรนะจังัวะอย่างไรหายใจยนะ้มันก็เป็นการฝึกปือขึ้นไปเรื่อยอารมณ์ในการปฏิบัติบางทีก็จะมีนะมีมันก็สอบไดเรื่อยนะแล้วก็มองเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมรูนะ้ไม่ใช่แต่ก่อนเรามองความง่งนอนความฟุ้งซ่านความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีความสงสัยอะไรต่างๆมองเป็นอุปสรรค แต่ถ้าเรามีความรูม้สึกตัวมีสติมันกลายเป็นความสนุกความความชอบในการเรียนรู้ประมันสนุกดีนะสนุกดีนะมันจะสนุกในการเห็นเห็นนะเห็นความคิดสนุกในการเห็นเห็นความไม่ใช่ตัวตนมันสแสดงของนันเองนะสนุกในการสงสยัยลว พนะอพลิกมือนะไม่สงสัยแล้วเดี๋ยวก็สงสัยอะไรก็แล้วแต่นะพอพลิกมือเอาพอสงสัยมันก็ไม่อยู่มันไม่เที่ยงลองดูนะมันจะดได้คำตอบที่จริงแต่ก่อนสงสัยแทบตายต้งหาคำตอบต้องถามต้องค้นความแต่ขอแค่นกั้นนะความสงสัยที่เมื่อกี้มันใหญ่โตมันหายไปไหนเห็นไ ห, นไหม ความไม่พอใจพอเราเปลี่ยนมันหายไปไหนเดี๋ยไม่แต่ความพอใจรูเหมือนกันนะอพอเราเปลี่ยนออกมาเออเป็นมาเป็นตัวตนจริงๆหรือเปล่าเราก็เขีนเองนะมันจะได้คำตอบพอได้คําตอบนี่มันจะมีความสนุกมีความสุขในการในการปฏิบัติมากเดี๋ยวก็อาจจะไยห้พวกเราที่ จมนี้ปฏิบัติเป็นก่อนนะอาจะเดี๋ยวถ้าใครเดินด้วยกันก่อนก็ได้นะเดจงกห้องนี่หละเดี๋ยวจับตาใก้เคียง